จเจริญพรถูกทุกท่านคือส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธเราก็คิดว่าเราเป็นชาวพุทธมันเป็นชาวพุทธโดยประเพณีเวลาตายก็หามเข้าวัดไปให้พระมาะสวดอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่บุญวันเกิดบุญอะไรทำบุญใส่บาตรอะไรเป็นเรื่องของประเพณีก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดี หรือบางคนก็คิดว่าเป็นชาวพุทธเป็นเรื่องต้องรักษาศีลก็ถูกเหมือนกันแต่ลำพังรักษาศีลคนศาสนาอื่นเขาก็มีศีลอย่างของเขาเหมือนกันหรือบางคนก็คิดว่าเป็นชาวพุทธก็ต้องนั่งสมาธิสมาธิมีหลายแบบคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสมาธิมัแยก2กลุ่มใหญ่ๆนะสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่มีสตินั่งแล้วเคลอบเคลิมลืมได้ลื ม, ลมตัว ที่ชาวพูดเรานั่งส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่รู้สึกตัวสัมมาสมาธิก็ยังแยกกเป็นสองอย่างนะสมาธิเพื่อการพักผ่อนกับสมาธิเพื่อการเจริญปัญญานีมันมีเรื่องราวที่เราต้องเรียนหลายอย่างเนะมื่อไเราเอเราก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆถ้วันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลถ้านั่งสมาธิแล้วทุกคนบนรรลุมรรคผลฤๅษีชีพลัยเขาก็บรรลุไปก่อนพระเทเจ้าเราซะอีก ทำไมไม่มันรู้สมาธิมีหลายแบบนะไม่ใช่ใครๆก็นั่งสมาธิแล้วก็ถูกต้องเสมอไปสมาธิที่ถูกสมาธิของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะคนไม่ค่อยเรียนด้วยซ้ำไปคนไม่รู้จักกลุ่มหนึ่งคิดว่าไม่ต้องเรียนเลยแล้วมันจะเกิดเองนะนี่ก็หวังผลเลิดเกินไปอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ไม่เรียนเพราะคิดว่านั่งสมาธินั้นะมีอย่างเดียวสงบอย่างเดียวนะเนี่ยแค่ จะมีประเพณีแบบชาวพุทธนะทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิมันก็ยังไม่เป็นพุทธแท้ๆหรอกนะถึงนั่งสมาธิถูกก็ยังไม่ได้เป็นพุทธแท้ๆนะมันต้องมาก้าวมาถึงขั้นของการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาไม่ได้ก็เรียกว่าเรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกเพราะศาสนาพุทธของเรานะพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยปัญญา ท่านบอกเลยว่าว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่ปัญญาเป็นยังไงทำยังไงจะเกิดปัญญาเนี่ยปัญญานี่ไม่ใช่เรื่องความฉลาดอย่างโลกโลกหรอกปัญญานี่เป็นคือเรื่องของความเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีส่วนของรู ป, ปรธรรมนะคือส่วนของร่างกายส่วนของวัตถุ ส่วนของนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายถ้าเรามีปัญญาก็จะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่มันรวมกันเพื่อมาเป็นตัวเรารูปธรรมนามธรรมนี้พอมารวมกันเรารู้สึกว่ามีเรามีเราพอมีเราพอรูปธรรมนี้แก่ก็เป็นเราแก่รูปธรรมนี้เจ็บก็เป็นเราเจ็บรูปธรรมนี้ตายก็เป็นเราตายพอใจเรารู้สึกว่าคนที่เรารักเนีคนที้เรารักเนี่ยเป็นเรื่องทางใจ คนที่เกลียดก็เป็นเรื่องทางใจคนที่รักพลัดพลากไปก็เป็นเราพลัดพลากคนที่เกลียดมาเจอกับเราเข้าก็เป็นเราเกลียดเราต้องเจอเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวเราขึ้นมาจากการที่เราไม่สามารถเจริญปัญญาเห็นความจริงได้จริงๆมันไม่มีเราหรอกมันแค่รูปธรรมนามธรรม ท, ที่มาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนี้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วไม่นานมันก็แตกสลายออกไป ถ้าเราเข้าถึงความบริสุทธิ์นะแท้จริงแล้วด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงความสุขความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนคนในโลกเนี่ยแสวงหาความสุขตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กก็อยากได้ความสุขนะโตขึ้นก็อยากได้ความสุขเราก็คิดว่าถ้าทําอย่างนี้จะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขถ้าเป็นอย่างนี้จะมีความสุขถ้าไม่มีไม่เป็นอย่างนี้จะมีความสุขมันมีคําว่าถ้าขึ้นมาเสมอเลยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ ตลอดชีวิตก็มีแต่เงื่อนไขว่าถ้าได้อย่างนี้จะสุขถ้าไม่ได้อย่างนี้จะสุขนะคิดอยู่อย่างนี้และตลอดชีวิตมันก็คือหาความสุขไม่เจอตลอดนะใจมันจะต้องมีเงื่อนไขถ้านโน้นท่านนี้ไปเรืนะ่อยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้สักทีนี่พวกเรามีบุญวาสนานะเราเกิดมายังมีธรรมะของพุทธเจ้าหลงเหลือไว้ให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกัน เราก็ต้องมาหัดปฏิบัติธรรมนะยกระดับจิตใจของเราให้มีสติมีปัญญาขึ้นมาจะมีสติมีปัญญาได้มันก็ต้องทำความดีพื้นฐานทั้งหลายด้วยมีทําทานมีรักษาศรรีลมีการฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นมีหลายงานจิตใจสงบก็อันหนึ่งจิตใจตั้งมั่นก็อย่างหนึ่งพอจิตใจตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญปัญญามาดูความจริงของกายของใจ เนี่ยถ้าปัญญามันเกิดจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือในรูปธรรมนามมาทำทั้งหลายเข้าถึงความสะอาดหมดจดในจิตใจเราจะมีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยความสุขอันนี้ไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องยิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขที่เรามีทุกวันนี้เป็นความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นอย่างบางคนต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขนะต้องมีบ้านอย่างนี้มีรถอย่างนี้มีตําแหน่งอย่างนี้นะ มีชั้นยศชั้นอะไรอย่างนี้นะถึงจะมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นของโชวคราวทั้งหมดเลยความสุขเราไปอิงอาศัยคนอื่นนะถ้าคนอื่นเขาเปลี่ยนใจไปเราก็ทุกข์ละอิงอาศัยทรัพย์สมบัติสมบัติมันเปลี่ยนมือไปเราก็ทุกข์ละนะอิงอาศัยชื่อเสียงเกียรติยศอะไรพวกนี้วันหนึ่งมันหมดไปก็ทุกข์อีกละนะี่ความสุขของโลกมันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่น ถ้าเราเป็นลูกพุทธเจ้าจริงนะเราจะมาฝึกจิตฝึกใจจนเราเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรเลยนะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะเป็นของดีของพิเศษที่คนทั้งหลายนะเข้าๆไม่ถึงที่เข้าเข้าไม่ถึงเพราะเขาไม่เคยฟังเนะขาไม่เคยได้ยินธรรมะแท้ๆของพุทธเจ้าไม่ค่อยมีใครสอนกันหลวงพ่อมาก่อนนะเที่ยวสแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบหาดนั่งสมาธิมาเรื่อยๆ นั่งสมาธิอยู่22ปีถึงมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนเจริญปัญญาท่านสอนเจริญปัญญาแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาไม่กี่เดือนเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์มันก็หายไปหายไปนี่พวกเราอยากให้พวกเรานะสนใจธรรมะาขอพระพุทธเจ้าให้มากหน่อยมีซีดีหลวงพ่อมีแจกให้เยอะแยะนะ มีซีดีไปฟังเอามีวีดีโอมีอะไรเยอะแยะอดทนนิดนึงฟังแล้วฟังอีกมีคนทึ่ไม่เคยเรียนธรรมะที่ไหนเลยนะฟังซีดีหลวงพ่อเดือนสองเดือนนะเขาก็สามารถเจริญปัญญาได้แล้วเขาจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละอันกันขันมันแยกเรียกแยกธาตุแยกขันได้นะร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตใจก็ส่วนจิตใจความรู้สึกสุขทุกข์แยกออกไปอยู่ส่วนนึงนะความจําได้หมายรู้แยกไปส่วนนึง ความปลุงดีปลุงช่วยแยกไปส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วเขาเห็นทุกส่วนทุกส่วนเนี้ยทำงานสแสดงใจรักษณ์ตลอดเวลานี่ใช้เวลาไม่มากหรอกในการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นี่ถ้าพวกเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะเราพอใจความรู้ดั้งเดิมของเราคล้ายๆชาล้นถ้วยรับอะไรใหม่ๆไม่ได้นะมันก็เข้าไม่ถึงธรรมะสักทีของง่ายลนะกลายเป็นของยากที่จริงง่ายมากเลย ธรรมะของผู้เจ้านี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะเหตุว่าต้องใช้ความอดทนค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะที่ผู้เจ้าสอนไว้มีบทเรียน3ามบทหลวงพ่อไปที่ไหนก็พูดด้วยบทเรียนแรกชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตบทเรียนที่3ถึงชื่อปัญญาสิกขาเรียนวิธีเจริญปัญญาเอาจิตที่มีคุณภาพมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะ มาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจในบทเรียนมันมีเท่านี้เองถ้าเราทำบทเรียนทั้งสานี้ให้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมนะมรรคผลจะเกิดขึ้นเองพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดได้หรอกมันเกิดเองท่านเปรียบเทียบเหมือนชาวนาบอกชาวนาเนี่ยมีหน้าที่สมอย่างพอฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จก็ทาหน้าที่ที่2ไปหว่านข้าว พอวันข้าวเสร็จก็ทําหน้าที่ที่สมคอยดูแลต้นข้าวน้ํามากไปเอาออกน้ําน้อยไปเอาเข้าอะไรนี่ถึงเวลาแล้วต้นข้าวก็จะออกรวงเองบอกพภิกษุทักงหลายเธอก็มีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขาเรียนว่าวิธีทํายังไงจะเกิดศีลจิตสิกขาเรียนว่าทํายังไงจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาสิกขาคือเรียนวิธีที่เอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ บอกถ้าเธอทำหน้าที่3ามอย่างนี้นะมรรคผลจะเกิดขึ้นเองเหมือนต้นข้าวออกรวงเองไม่มีใครสั่งต้นข้าวให้ออกรวงต้นข้าวออกเองไม่มีใครสั่งมรรคผลให้เกิดนะมรรคผลเกิดเองนี่พวกเรามาเรียนนะสามบทเนี่ยสมพ่อไปไหนก็สอนเรื่องพวกนี้แหละเรื่องศีลนะคนทั่วทั่วไปยุคนี้ไม่เอาศีล น, นะถือว่าไม่สำคัญนะไม่ไม่เข้าใจ ศีลมันทําให้ใจของเราสงบนะคนไม่มีศีลใจฟุ้งซ่านวิธีรักษาศีล น, นะไม่ต้องไปขอใครให้ตั้งใจรักษาเอาเองเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเราจะไม่ทําผิดศีล5เอาศีล5้าก็พอนะอย็นกินข้าวได้แต่ไม่ต้องกินเหล้านะกินข้าวไปไม่เป็นไรหรอกไม่ผิด ไ, ไม่บาปอะไรนะแล้วก็พัฒนาการถือศีลให้ดีขึ้นคนเราทําผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสครอบงาจิต งั้นถ้ากิเลสไม่ครอบงําจิตเนี่ยเราจะไม่ทําผิดศีลศีลจะเกิดเองศีลมันจะอัตโนมัตินะมันจะเกิดเองวิธีที่เราจะทําให้ศีลอัตโนมัติเกิดเนียไม่ได้ยากอะไรคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจเราคอยรู้ทันรู้จักโกรธไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมกิเลสใคยๆก็รู้จักนะอิจฉาเป็นไหมอิจฉานะ อาฆาตพยาบาทนะจงเวนอะไรนี่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วกิเลสแต่ละชนิดแต่ละชนิดเรารู้จักทุกคนอยู่แล้วนะหน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวเลยคือตอนเนี้ในใจเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นอย่างสมมติว่าอย่างเป็นตำรวจเนี่ยชาวบ้านเห็นตำรวจไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้าผู้ร้ายมาแนละ้วคิดถึงตำรวจถ้าไม่มีผู้ร้ายมาเนะไม่ค่อยชอบตำรวจเราเดินไปไหนบางที คนมองเรามองแบบไม่ไว้ใจไม่พอใจเนี่ยเราไม่พอใจเราก็โกรธเข้าใจเราโกรธเนี่ยเรารู้ทันเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะความโกรธเนี่ยมันจะครอบงาใจไม่ได้หรืออย่างเราจะทำอะไรสักอย่างนะอย่างได้ยินเขาพูดเรื่องการเมืองทั้ง2องฝ่ายแหละพูดเรื่องการเมืองพอเราได้ยินเขาพูดเรื่องการเมืองนะกิเลสเราก็เกิดส่วนใหญ่เกิดโทสะ นี่พอโทรศัพท์เกิดให้เรารู้ทันว่าใจมันโกรธเรารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเดี๋ยวปากก็ไปด่าเขานะด่าอย่างเวลาฟังเขาอาภิปรายอะไรนะบางทีก็พลอยด่าไปด้วยนะทัา้าที่คนที่เราด่านะั้นไม่ได้ยินหรอกคนที่ได้ยินคือเพื่อนเราเองอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่ใจมันโกรธมันไม่ยากหรอกนะแ ค, แค่คอยรู้ทันใจมันโกรธหรือเราเดินไปเราเห็นสาวสวยสวยกว่าภรรยาเราอีกใจเราชอบให้รู้ว่าชอบ นี่ราคามันเกิดแล้วถ้าเรารู้ทันนะราคาจะครอบงาใจไม่ได้งั้นถ้าเรามีสติคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆเนี่ยสีนมันจะมาเองนะมาง่ายๆเลยนะอย่างคนด่าเราเราโกรธนะเราจะด่าตอบแนละ้วเราเห็นเราความโกรธขึ้นมาพอเราเห็นความโกรธแลว้วความโกรธมันจะดับไปมันดับเองเราก็ไม่ไปด่าตอบเขาไม่ไปทําร้ายเขานะนี่มันง่ายๆอย่างนี้แหละเราเห็นคนเขาเดินไปทํากระเป๋าสตางค์หล่นใจเราอยากได้รั่วอยาก รู้ว่าอยากความอยากครอบงำใจไม่ได้ไม่ไปหยิบของเข้าหรอกไปเรียกเจ้าของมาเอาได้นะเนี่ยมันไม่ยากอะไรนะถ้าเราคิดว่าเราจะรักษาศีลก็คือรักษาใจของเราไว้ให้ดีรักษาศีละรักษากันที่ใจนะคอยรู้คอยรู้ทันใจของเราไว้ให้ดีนะอย่างตอนนี้สังเกตไหมใจของเราวิ่งมาข้างหน้านใจของเราวิ่งมาเราลืมตัวเราเองใจมันวิ่งนะใจมันวิ่ง อย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางใจฟุ้งไปทางใจฟุ้งไปคิดวันวันเราก็คิดโน้นคิดนี้ทั้งวันใจมันฟุ้งฟุ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดราคะฟุ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดโทสะนะฟุ้งไปอย่างนี้เกิดลังเลสงสัยนะใจก็มีโมหะมีอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ทันใจของเราการปฏิบัติธรรมจริงไม่ยากอะไรเลยนะ ถ้าเรามีสติรู้ทันใจของเราได้นะศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดงั้นงานรู้จิตรู้ใจตัวเองเป็นงานใหญ่ถ้าเราละเลยสิอย่างเดียวนะศีล ส, สมาธิปัญญาหายหมดนะ่ะงั้นเราคอยมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะกิเลสเกิดราคะเกิดเรารู้ทันพอรู้ทันเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะอํานาจของราคะ อย่า ง, งราคาเกิดนะเห็นสมบัติเขาอยากได้ก็ไปทำร้ายเขาผิดสินข้หนึ่งก็ได้นะไปรักไปขโมยเขาก็ได้นะชอบลูกสาวเขาไปหลอกเขาก็ได้นะใช้วาจาพริ้นปล่อนหลอกลวงผิดสินข้อสีก็ได้หรือเวลาเรามีความสุขเฮฮาปาร์ตี้ใจเราเพลิดเพลินก็มีราคาเหมือนกันกินเหล้าเมายาฉลองมีความสุขนะนี่เราผิดศีได้ทุกข้อเลยเพราะราคาตัวเดียว โทสาก็ทําให้เราผิดศีลทุกข้อโมหะ ก, ก็ทำผิดศีลทุกข้อได้นะงั้นเราคอยรู้ทันนะมันคือศัตรูของเรานะกิเลสคนอื่นไม่เป็นศัตรูกับเราหรอกศัตรูอื่นๆนะมันเป็นศัตรูชั่วคราวสมมติคนสองคนแย่งตําแหน่งกันเป็นศัตรูชั่วคราวนะวันหนึ่งคนหนึ่งมันก็ไปตําแหน่งมีอยู่อันเดียวนะไม่เป็นศัตรูชั่วคราวแต่กิเลสเป็นศัตรูเราตลอดชีวิตเลยคอยกดขี่คอยบังคับจิตใจบีบเค้นจิตใจเราตลอดเวลา ให้คอยรู้ทันมันไว้นะแล้วคนที่ไม่เคยมีศีลนะียจะเกิดศีลอัตโนมัติจะมีศีลอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันไม่กล้าทําผิดไม่กล้าทําบาปมันอายใจตัวเองเวลาเราจะทําผิดแล้วคนอื่นเห็นเราไม่กล้าทํานึก อ, ออกไหมมันมีคนเห็นอันนี้เราพัฒนาจิตใจของตนเองจนสูงจนถึงขนาดว่าไม่ต้องคนอื่นเห็นนะเราเห็นเองเราก็อายใจเราทําไม่ได้หรอก แล้วถ้าเราคอยรู้ทันใจนะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันรู้ทันเนะีเราจะไม่กล้าทําบาปนะเราไม่กล้าทําผิดศีลมันละอายใจเรียกมีฮีบริมันละอายแก่ใจแล้วเกิดอัตโนมัตินะสิ่งเหล่านี้ง่ายๆไม่ยากอะไรแล้วถ้าเราจะทําผิดอะไรไปนะมันจะกลัวกลัวผลอย่างถ้าเราจะต้องไปกินเหล้าเมายานะมันจะกลัวผลมันจะเห็นว่าไม่ดีหรอกนะจะมีทุกมีโทษตามหลังมาอนะไรเนี่ย งันจะเกิดฮีรีเกิดโอตตะ ป, ปะโอตตะ ป, ปะเนี่กลัวผลของบาปฮีรีนี่ละอายใจที่จะทำบาปเนี่ยถ้าเราคอยมีสติรู้ทันจิตใจของเราน ะ, ะได้หีรีโอตตะ ป, ปะมามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นนี่นี่มีมีสติรู้ทันจิตนะแล้วจะเกิดสมาธิด้วยไม่ได้เกิดแต่ศีล น, นะ ศัตรูของสมาธิก็คือนิวรณ์เคได้ยินชื่อไหมพวกเราถ้าชอบเข้าวัดชอบฟังเทศน์นี่นิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้มีสมาธิอันแรกเลยความเรียกกรรมฉันทะนิวรณ์ใจที่มันเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยมันทําให้ฟุ้งซ่านอย่างเราใจเราชอบรูปสวยๆขณะที่เราเห็นคนสวยมาใจเราวิ่งไปที่เขาใจเราลืมเนื้อลืมตัวใจไม่อยู่กับตัวเองเนี่ยไม่มีสมาธิละ ถ้าใจหนีไปจากตัวเองนะลืมกายลืมใจไปก็เรียกขาดสมาธินะถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่ามีสมาธิรู้จักคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมคนโบราณเก่งนะสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่นั่นะแหละคือสภาวะที่มีสมาธิที่ดีนะไม่ใช่สมาธิลือสีนะนั่งซึมเห็นแสงเห็นสีอะไรอย่างนั้นง่ายแต่สมาธิที่รู้เนือ้อรู้ตัวเนี่เล่นยาก ก็คนส่วนใหญ่เนะี่ยมันเคยชินที่จะลืมตัวเองมันลืมตัวเองก็เพราะนิวรณ์นะเพราะว่ามีอารมณ์ที่ชอบใจมาลอ่อในการมาฉันทะนิวรณ์มาล่อไปใจก็ฟุ้งไปเห็นรูปสวยใจก็เพลินไปได้ยินเสียงถูกใจใจก็เพลินไปได้กลิ่นถูกใจใจก็เพลินไปได้รสถูกใจใจก็เพลินอย่างบางคนอยากไดเอทนะมีกินข้าวว่าจะกินน้อยๆกินแล้วแหมรสมันอร่อยนะ ถูกลถมันหลอกลืมตัวเองกินไปหลายจานเลยค่อยนึกได้ว่าจะไดเอทนะถูกลถมันล้อลากออกไปถูกรูปถูกเสียงถูกกลิ่นถูกลด ถ, ถูกสัมผัสมาหลอกออกไปถูกความคิดนึกมันหลอกออกไปนะหรือบางทีสิ่งที่ไม่ดีก็มาลากเอาใจของเราไปได้อย่างเวลาเราเกลียดใครสักคนเราจะคิดถึงคนนั้นบ่อยนึกออกไหมเวลาเราเกลียดใครสักคนเราก็คิดถึงบ่อยนะหรือเราไปซื้อเสื้อมาสักตัวนะเราว่าเลือกอย่างดีแล้ว พอมาถึงบ้านเราเห็นมันมีเส้นได้ขาดอยู่หน่อยหนึ่งนะเสื้อทั้งตัวเนี้เราจะไม่ดูละเราจะเวียนดูไอตัวที่มันขาดนิดหนึ่งอะ่ะเป็นไหมเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีนะมันมาลอดใจของเราให้ไปสนใจเราโม่แต่ดูเสื้อที่มีรอยตำหนินิดหนึ่งดูอยู่นั่นอนะเวียนดูใจก็มโมโหนะมโมโหคนขายด้วยมโมโหตัวเองด้วยนะเนี่ยถูกโทรศัมันลากเข้าไปนะ สูอารมณ์ที่ไม่ดีมาลากออกไปเรียกว่ามีพยาบาทนะการมาฉันทะนะมีพยาบาทนะหรือบางทีเราคิดอะไรฟุ้งซ่านใช่ไหมเกิดลังเลสงสัยเวลาคิดฟุ้งซ่านใจไม่สงบนะเกิดลังเลสงสัยในพระัตนตรยัยใจไม่สงบนะนะเกิดหดหูซึมเศร้านะหดหู่ซึมเศร้าใจไม่มีเรี่ยวมีแรงใครเคยเป็นไหมใจซึมท้อแท้ท้อแท้ อย่างเงี้ยใจไม่มีเรี่ยวมีแรงนะไม่มีสมาธิเหมือนกันนิวรณนี่เป็นตัวทําลายสมาธินะถ้าจิตไม่มีนิวรณ์จิตจะมีสมาธิอัตโนมัตินะงนวิธีที่จะข จ, จัดนิวรณ์ออกจากจิตใจได้ง่ายที่สุดเลยนิวรณ์เป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะเรียกว่าธรรมอนิยามเป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้านิวรณ์เกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันนะมันจะดับของมันเอง นะอย่างใจเราอยากไปดูรูปเรารู้ทันใจเราอยากจะไปดูอะไรที่เกลียดชังรู้ทันรู้ลงไปใจฟุ้งซ่านรู้ทันรู้ทันใจเข้าไปเรื่อยๆนะนิวรมันจะดับพอห น, นิวรดับเนี่ยใจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะนี่ฝึกนะค่อยๆฝึกไปมีสติคอยรู้ทันใจของเรานี่แหละถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นนะจะได้ศีลรู้ทันนิวรณ์ที่มันจะมาลากใจให้ฟุ้งซ่านจะได้สมาธิ ต่อไปพอใจเราอยู่กับเน้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงขั้นที่3ามรบทเรียนสุดท้ายของพระเจ้าคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอาไม่ใช่เปิดซีดีหลวงพ่อฟังทั้งวันทั้งคืนแล้วบอกว่าเจริญปัญญาไม่ได้ปัญญาอันนั้นมันปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของใครก็ของคนนั้นนะอย่างเราไปอ่านพระไตรปิฎกก็ปัญญาพระพุทธเจ้าปัญญาพระอราหันตสาวกรุ่นโบราณนะไม่ใช่ของเราอีก งั้ปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังนะไม่ใช่ปัญญาของเรามันะเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ปัญญาที่เกิดจากการคิดบางคนก็ช่างคิดนะวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลการใช้เหตุใช่ผลการคิดการวิเคราะหนะ์เนี่ยอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะยังสรุปไม่ได้ว่าถูกแท้แทเวลาเราคิดอะไรเราก็คิดว่าถูกทุกทีแหลนะเอาเข้าจริงอาจจะผิดก็ได้อย่างบางคนเล่นหุ้นนะใครเล่นหุ้นบ้างไหมเราก็คิดใช่ไหมว่าตัวนี้ต้องดี ถูกไหมบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ยบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดยังเชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกมันมีปัญญาที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะปัญญาจักการไปเห็นของจริงปัญญาจักการไปเห็นของจริงเรียกว่าภาวนามาย์ปัญญานะไปดูของจริงอะไรเป็นของจริงร่างกายเป็นของจริงนะความรู้สึกนึกคิดในใจเราเป็นของจริงไม่ใช่เรื่องที่คิดจินตนาการเพื่อฝันเรา งั้นหน้าที่ของผู้เจริญปัญญาเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอารู้สึกอยู่ที่ใจจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานไปเรื่อยๆร่ร่างกายทํางานตลอดเวลาเห็นไหมร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่ทํางานอยู่ตลอดเวลาร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายนะนี่เราเข้าเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆรถึงวันหนึ่งมันก็เห็นว่าร่างกายมันแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุ นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะแล้วร่างกายนี้เป็นก้อนทุกมีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาเดีย๋ยวพวกเราลองหายใจเข้าให้ยาวที่สุดซิหายใจ ใ, ใจเข้ายาวๆวออให้ลึกๆเลยยาวทุกไหมไอ้ใจไปเรืเร่อยๆก็ทุกนะเราแก้ทุกได้วยการหายใจออกอ้าหายใจออกซนะิออกให้ยาวที่สุดเลยทุกอีกไหมเห็นไหมว่าความทุกไล่บีเราทุกลมหายใจเข้าออก ทุกอย่างนี้เรามีมาตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่เคยเห็นเราหายใจเข้าพอทุกปุ๊บเรารีบหายใจออกเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกหายใจออกไปพอมันทุกปุ๊บเราหายใจเข้าแล้วเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกทําไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องขยับไปขยับมาต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเพราะมันทุกนะแต่ว่าคนทั่วไปนะพอมันเมื่อยขึ้นมาก็ขยับปั๊บเลยไม่ทันเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกนะ ดัง น, นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนอิริยาบถการเปลี่ยนลมหายใจอะไรเนี่ยมันปิดบังทําให้เราไม่เห็นตัวทุกข์ในร่างกายนะนี่ถ้าเราคอยมีสติรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นมีแต่ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ถ้าลงหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ก็คือทุกข์ตลอดเวลาอยู่แล้วละเพราะวันๆก็มีแต่หายใจออกกับหายใจเข้าถ้ายืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ทุกข์นั่ก็ทุกข์ตลอดนะเพราะวันๆก็ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละนะนี่ดูของจริงเข้าไปนะ เราจะเห็นในร่างกายนี้มันมีแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุถ้าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่ามันมีลมไหลเข้าไปลมไหลออกมาร่างกายเหมือนถุงใบหนึ่งเป็นถุงหนังเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบนะเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ใช่ตัวเราอะไรเป็นวัตถุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเดิมน้ําแล้วก็ไปปัสสาวะไปเอ็นเหงือเป็นไรนะธาตุมันหมุนอยู่นี่เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราจะเห็นนะร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุนะถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยใจมันจะคลายความยึดถือในร่างกายทุกวันนี้เรารักร่างกายมากเพราะเราเห็นว่าร่างกายนําความสุขมาให้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีปัญญาแทงตลอดลงไปเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ ต่อไปร่างกายจะแก่เราจะไม่เดือดร้อนนะเพราะตัวทุกข์มันแก่สมน้ําหน้ามันนะร่างกายมันเจ็บเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายตายตัวทุกข์มันตายเราจะเดือดร้อนอะไรละ่ะตัวทุกข์มันตายดีไหมอยากให้มันตายด้วยซ้ําไปนี่มาดูร่างกายนะจะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะดูของจริงไม่ใช่คิดเอารู้สึกอยู่กับกายแนละเห็นจริงๆ ถ้าจะดูจิตดูใจก็ดูไปด้วยนะเห็นจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปโรคกรดหลงอะไรก็ตามเถอะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เราจะเห็นแต่อย่างนี้ตลอดเวลานะในจิตใจของเราเนี่ยมีแต่ของที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปดับไปมีไหมอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับในใจเรา ใครเคยโกรธนานที่สุดเท่าไหร่ใครเคยโกรธหนึ่งเดือนมีไหมใครเคยโกรธหนึ่งวันมีไหมมีไหมหรือโกรธสามวันเคย อ, อกหักไหมเคย อ, อกหักเวลาอกหักเนี่ยจิตมีโทสะเศร้าหมองเศร้าหมองนานั้ม อ, อกหักครั้งแรกไม่เคย อ, อกหักเลยเหรอคนที่นี่ <laughs> มีบุญหรือมีบาปเนี่ย <laughs> มีบุญก็คือโว้ดีสมบังมีบาปหาแฟนไม่ได้เลยไม่มีโอกาสอกหักเลยอย่างบางคนอกหักนะรู้รู้ว่าชีวิตมืดมนนะมีความทุกข์มากถ้าสังเกตให้ดีนะมันทุกตอนคิดทุกตอนที่คิดถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องอื่นเกิดขึ้นไม่ทุกหรอกตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการมีเด็กผู้หญิงคนเนึงมันมามาหาหลวงพ่อดูหน้าแล้วเด็กนี้ชอบช้อปปิ้ง เห็นหน้าแล้วรู้ยี่ห้อเลยประเภทวันๆเนี้ยนะช้อปปิ้งถามว่าใครเคยอกหักบ้างเด็กคนนี้ยกมืออกหักบอกตอนหนูเศร้าโศกอยู่นานเท่าไหร่โอ้ยเป็นปีๆเลยบอกเวลาไปช้อปปิ้งอ่ะเคยไหมไปที่ใหม่ๆไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ไหนอ่ะอยากเข้าห้องน้ําอ่ะเกิดฉุกเฉินแล้วจะเข้าห้องน้ําแล้วหาห้องน้ําไม่เจอเคยไหมเคยๆตอนนั้นอ่ะตอนที่วิ่งหาห้องน้ําเนี่ยอกหักไหม ไม่หว่าคิดแต่ห้องน้ำใช่ไหมพอเข้าห้องน้ําพอบรรเทาทุกเสร็จแล้วนะมึงห่างอกกู mm. นะีคราวนี้ค่อยๆเศร้าใจใหม่แม้กระทั่งความเศร้าโศกนะก็เกิดขึ้นตอนที่คิดเอาเท่านั้นแหละความสุขใจอะไรเกิดขึ้นตอนที่คิดเอาเท่านั้นแหละแล้วใจเรามันเปลี่ยนตลอดเวลาแนละสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดดับตลอดเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดในใจก็ชั่วคราวนะลบโกรธลงก็ของชั่วคราว ไม่มีอะไรเลยที่อยู่ถาวรเนีนะ่ยเราไปดูให้เห็นความจริงนะค่อยๆรู้ทันความรู้สึกของตัวเองการจะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะมันมีกฎอยู่3ข้อนะข้อที่1อย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าเราไปนั่งดูทุกคนลองดูความรู้สึกของตัวเอง ต, อ, งตอนนี้ซิดูิความรู้สึกตอนนี้เป็นไงจงใจดูซิเห็นไหมว่างๆนิ่งๆ จะไม่มีอะไรให้ดูเลยนะเพราะงั้นการดูความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอย่าจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะใช้หลักที่พระเจ้าสอนดูก ร, ราภิกษูทั้งหลายจีมีราคะก็รู้ว่ามีราคะนีมีราคาก่อนแล้วก็รู้ว่ามีราคะจีมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเนี่ยโทสะเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีโทสะอย่าไปรอดูท่านไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายให้รอดูความรู้สึกไม่เคยสอนเลยนะ มีแต่ว่าจิตจิตมีราคาให้เธอรู้ว่ามีราคาภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านความรู้สึกมันเกิดก่อนนะมีความสุขเกิดแล้วรู้ว่าสุขทุกข์เกิดแล้วรู้ว่าทุกข์นนกฎของการดูความรู้สึกนะดูจิตดูใจข้อที่1ก็คืออย่าดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูข้อ2นะกฎข้อที่2ของการดูจิตดูใจตัวเองก็คือ พอให้เราเห็นสภาวะแล้วนะย่าถล่มลงไปดูเหมือนคนมองนอกดูเหมือนไม่ใช่ตัวเรานะเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความโกรธกับจิตนี่เป็นคนละอันกันความโกรธก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนะดูแบบเป็นคนมองนอกไม่เข้าไปคลุกวงในอย่างเวลาเรายืนบนตึกนะเราเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเราไม่โดดลงไปบนถนนเราเห็นภาพในถนนได้ชัดเจนใช่ห หรือเราอยู่บนบกเราไม่โดดลงน้ำเราเห็นอะไรลอยในน้ำเราเห็นได้ชัดเจนถ้าเราโดดลงน้ำเราไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ละเนี่ยเวลาที่เราจะดูจิตดูใจนะดูห่างๆอย่ากระโดดเข้าไปนี่ป็กฎของการดูจิตข้อที่2งนะดูห่างๆอย่าเข้าไปคลุกวงในนะกฎข้อที่3ก็คือดูแล้วอย่าแทรกแซงนะดูแล้วเห็นเลยโอ้กิเลสเกิดไม่ต้องหาทางดับนะ เราต้องการดูให้เห็นความจริงกิเลสเองก็ไม่เที่ยงกิเลสเองก็บังคับไม่ได้ไม่ต้องไปหาทางดับมันตู้ของจริงไปด้วยอย่าไปแทรกแสงดูไปซื่อๆดูไปง่ายๆถ้าใช้หลัก3ข้อนี้ในการดูจิตดูใจอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างรู้นะอย่า ก, กระโจนลงไปรู้ดูแบบห่างๆดูแบบผลมงนอกพอรู้แล้วอย่าไปแทรกแสงด้วยความยินดีินระ้ายดูด้วยความเป็นกลาง ถ้าดูได้อย่างนี้เราจะเห็นความจริงของจิตใจได้ชัดพรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้อย่างเราสั่งใจเราีตอนนี้เราสั่งใจว่าจงมีความสุขห้ามทุกนะทำได้ไหมห้ามทุกนะจงมีแต่ความสุขห้ามไม่ได้นะบางคนมีปัญหาชีวิตนะเพื่อนก็มาปลอบเธออย่าไปคิดสิเธออย่าไปคิ ด, ออคดนะเธอทาใจให้สบายสิ เนี่ยคนปลอบเนี่ยนะไม่รู้จักหลักธรรมะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตมันจะคิดนะห้ามมันได้ที่ไหนจิตมันจะทุกข์นะห้ามมันได้ที่ไหนนะงั้นเราไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราดูอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ตรงที่เราเห็นว่าอะไรอะไรก็บังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะตรงที่เห็นว่าทุกอย่างมีแล้วก็หายไปเรียกว่าเห็อนอนิจจัง เนี่ยถ้าดูกายเราจะเห็นทุกข์แล้วก็เห็นอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นอนัตตาในแง่ที่บังคับไม่ได้อนัตตามีหลายแง่นะในแง่หลายมุมเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะบ่อยๆ บ, บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้จะดูไปช่วงหนึ่งใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านให้กลับมาทาความสงบมาหัด อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจบ้างทุกวันแบ่งเวลาทําความสงบบ้างพอสงบพอสมควรจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วย้อนกลับมาดูกายทํางานย้อนกลับมาดูใจทํางานเรียกว่าไปเจริญปัญญาอย่าทําแต่ความสงบนะทำความสงบงเฉยๆไม่เกิดปัญญานะเจริญปัญญารวดไปเลยใจไม่มีแรงนะใจฟุ้งซ่านกลับมาทําความสงบนะคล้ายๆขับรถไปน้ํามันหมดรถต้องเติมน้ํามันนะแว้ปั๊มบ้างอะไรบ้าง เนเวลาเราพาวนาเขาแบบนั้นนะไม่ใช่เติมน้ำมันไว้แล้วก็จอดรถทิ้งไปนะพวกนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมนี่นะไม่พัฒนาหรือขับรถอย่างเดียวไม่เคยเติมน้ำมันนะเลยมันก็ไปไม่รอดงั้นเวลาเราเจริญปัญญานะเราดูกายทางานดูใจทำงานนะดูไปถึงจุดหนึ่งใจเราเหน็ดเหนื่อยใจเราฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับพุโทโธกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ใจมันสบาย ใจมันได้พักผ่อนใจสบายมีเรียวมีแรงแล้ว ก, กลับไปจเจริญปัญญาใหม่เนะนี่ยวนเวียนอยู่ในอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถ้าเราทําได้นะไม่นานหรอกบางคน7วนะันเท่านั้นบางคนไม่ถึงแล้วบางคน7เดือนบางคนก็เจ็ดปีอะไรเงี้ยก็จะได้มรรคได้ผลกันนะบางคนไม่ถึงบางคนไม่กี่วันก็บัตรลนะุบางคนนานกว่านั้นอย่างบางคนบอกว่า7วัน7เดือน7จ็ดปี ภาวนาปีนี้แล้วอีกปีที่7จค่อยไปภาวนาเราบอกครบ7ปีแล้วะอย่างนี้ไม่บรรลุหรอกอย่างนี้เจ้าเล่ห์ไม่บรรู้เพรภาวนาดูมันทุกวันนี้แหละพวกเราเตียงทํางานอยู่ทั้งฝ่ายพละเรือนฝ่ายตํารวจอะไรนี่เรามีหน้าที่เรามีงานทํำเราปฏิบัติในช่วงที่มันมีโอกาสอย่าตื่นนอนขึ้นมานไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมอะไรสักนิดหน่อยก็ยังดีนะ ถ้ามันไม่ทันจริงๆไปทํางานระหว่างนั่งรถไปทํางานนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเนี่ยดูไปได้หลวงพ่อสารรับราชการใหม่ๆขึ้นรถเมย์นะเป็นบุญมากเลยได้ขึ้นรถเมย์รถเมย์กรุงเทพเนี่ยขึ้นเราได้ดูจิตดีนะอรอมันชาติเศษแล้วยังไม่มาเลยนะเนะนี่ใจกลุ้มใจแล้วจะไปทํางานทันไหมนะมาแล้วก็แน่นเอียดเลยนะ ขึ้นไม่ได้ใจก็กระวนกระวายใช่ไหมเห็นรถเมย์ว่างมาดีใจไม่ค่อยจอดนะไม่ไม่ยอมจอดรถวิ่งเลยไปทั้งๆ ท, ง ท, งที่ว่างนะความจริงมันปกตินะเพราะมันไม่จอดอนะมันถึงว่างถ้ามันจอดมันก็ไม่ว่างหรอกนะ ใ, นใจของเราเนะี่ยมันคลิกไปพลิงมาแค่รอรถเมย์เนี่ยนะภาวนาได้ตังเยอะเลยรอนานใจกระวนกระวายรู้ะกระวนกระวายรถเมย์มาแล้วแน่นขึ้นไม่ได้นะไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจ รถ เ, เมย์ว่างมานะดีใจรู้ว่าดีใจเอา้าหนีไปซะแล้วไม่จอดโกรธแล้วโทรศัพท์ขึ้นแล้วโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยปฏิบัตินะเนี่ยปฏิบัติขึ้นรถเมย์ได้ดีใจก็ดูไฟนะได้นั่งอุ้ยดีใจรู้พระขึ้นใหม่อีกละมาอีกแล้วนะเนี่ยตอนนี้เป็นพระเลยพยายามไม่ขึ้นรถเมย์นะ <c oughs> กลัวกรรมสนองเนะตอนพระขึ้นมาลำคาลลำคาญรู้ว่ า, าลำคาญ ดูอย่างนี้นะเนี่ยการปฏิบัติจริงๆเราจะเห็นเลยใจของเราเนี่ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาทั้งวันเลยนะไปถึงที่ทำงานโอ้เวลายังเหลือเมื่อก่อนนั่งโดวงพ่อทำงานอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลเวลาวันนี้ไปถึงเร็วนะเดินชมต้นไม้ชมนกชมไรนะสวยงามก็ตกแต่งไว้สวยสบายใจรู้ว่าสบายใจเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมีความสุขตู้ไป นึกขึ้นได้ด้วยว่าหัวหน้าไม่มาหัวหน้าจะไปสัมมนายิ่งดีใจใหญ่เลยหัวหน้าจู้จี้นะใครมีหัวหน้าจู้จี้เวร น, นะถือว่าเป็นกรรมแต่ฟังก่อนเนะนืนึกได้หัวหน้าไม่มานะโอ้วันนี้นะโลกสีชมพูเลยมีความสุขดีใจวันที่ไม่มีใครยุ่งกับเราเราจะทางานได้สบายไ่ง้นเรียกบ่อยเรียกตลอดเวลา งานก็จะเอาเร็วๆนะแต่เรียกื่อยเลยเนะี่ยเอาเวลาที่ไหนทำปรากฏว่าเปิดประตูห้องไปจ้าเอ๋อเอ้ามาบอกวันนี้พี่เป็นห่วงงานหนีสัมมนามานะแม้ใจเรานี้แป้วเลยนะเ <c oughs> นี่ยภาวนาทั้งนั้นเลยนะเราเห็นในใจเราเปลี่ยนเนี่ยง่ายๆแค่นี้แหละนะเปลี่ยนถึงเวลาทำงานนะไม่ใช่เวลาดูกายดูใจเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัติธรรมนะ ถึงเวลาทํางานก็ตั้งอกตั้งใจทํางานไม่งั้นถือว่าขอรับชั้นนะเอาเวลาทํางานเป็นนั่งสมาธินี่ขอรับชันนะต้องระวังนะลักทรัพย์และรักทรัพย์พของแผ่นดินเนะี่ยถึงเวลาทํางานก็ตั้งใจทําไปนะทำไปสักพักนึงขี้เกียจขี้เกียจ ร, รู้ว่าขี้เกียจเนี่ยกลับมาดูจิต ด, ดูใจได้อีกแล้วนะหรือทําไปหลายชั่วโมงเหนื่อยนะลุกขึ้นเดินไปห้องน้ําตอนทํางานหนักๆที่คิดมากๆเนี่ย ลุขึ้นมายัางดูจิตไม่ได้เราดูกายเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําำไปยืนฉี่ผู้ชายมันก็ต้องยืนฉี่นะยืนสองขานะีฉี่เสร็จแล้วก็เดินกลับตอนที่เดินกลับมาเนี่ยดูจิตได้ลนะเวลาเข้าห้องน้ําออกมาจะมีความสุขรู้สึกไหมก็เลยชื่อห้องสุขขานะออกมาแล้วมีความสุขนะบางทีนะ่ออกมาแล้วมีความสุขจริงๆเลยนะเพราะว่ามันเหม็นมาก ตามปัม๊มตามอะไรนะบางที่เม่ดเห็นำเป็นต้องเข้ า, อ, าออกมาได้มีความสุขมีความสุขเดินออกมารู้ทันใจที่มีความสุขกลับมาดูจิตดูใจได้ละถึงเวลากินข้าวก็ดูจิตดูใจของเราได้วันนี้ลงมากินข้าวโอ้ร้านอาหารร้านแม่ค้าคนเดิมรายการอาหารทุกชนิดเหมือนเดิมรสชาติก็เหมือนเดิมอีกละกินมาหลายปีแล้วเห็นแล้วรู้สึกไง เห็นแล้วก like ินกินสังกตายกินไปหรือว่าวันนี้เขามีของแปลกใหม่ดีใจลองชิมไม่อร่อยเลยจากดีใจกลายเป็นไม่พอใจแค่กินนะแค่การกินใจเ็าพลิกไปพลิกมาตามองเห็นอาหารใจก็เปลี่ยนแล้วเห็นของที่เราชอบเราดีใจเห็นของไม่ชอบไม่พอใจสรุปง่ายๆนะการปฏิบัติพวกเราฝึกเอาไว้นะ ให้ใจเราอยู่กับตัวเองเราคอยรู้เท่าทันใจของเรากิเลสเกิดเรารู้ทันความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรเกิดเราคอยรู้ทันนะแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันไปเรื่อยมันจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะจะเห็นเลยว่าจิตใจเรามีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะถ้าเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนานๆไปเนะี่ยใจจะเบื่อ พอ <S an> เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายร่างกายนี้ตามความเป็นจริงน่าเบื่อจิตใจนี้ตามความเป็นจริงน่าเบื่อนีดูลงไปเรื่อยเห็นแต่ของน่าเบื่อพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือถ้าคลายความยึดถือจิตจะหลุดพ้นโดยที่จิตหลุดพ้นเนี่อรู้ด้วยตัวเองพระเจ้าบอกบินโูชนรู้ด้วยตัวเองจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือนะหัดแรกๆเนี่ยมันยังไม่ปล่อยความความความยึดถือกายยึดถือใจนะ หันใหม่ๆมันจะปล่อยวางความยึดถืออารมณ์ได้ก่อนอย่างเวลาจิตเข้าไปจับอารมณ์เราพอนานเราเห็นนะจิตมันตะครุบอารมณ์อยู่นะเรารู้เท่าทันนะจิตมันปล่อยอารมณ์ทิ้งจิตสบายมีความสุขจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นเป็นความสุขระดับต้นๆเท่านั้นเองจิตปล่อยอารมณ์นะต่อไปพอนาจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแท้จริงนะจิตจะปล่อยวางกายจิตปล่อยวางกายแล้วจิตจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปละ จะมีความสุขที่มหาศาลเลยเกิดขึ้นแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตถ้าเมื่อไหร่จิตเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี่คือตัวทุกข์จิตจะปล่อยจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ยึดถือละเนี่ยตัวจิตเนี่ยตัวสําคัญเราคอยรู้เท่าทันไปเรื่อยถ้าจิตไม่ถูกกิเลสครอบงํำกิเลสจะไปอยู่ที่ไหนกิเลสก็ไม่มีที่จะอยู่ถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ล่ะ มันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของความทุกข์อีกต่อไปความทุกข์อยู่ที่ร่างกายเท่านะั้นความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจ น, ะนี่ค่อยๆรู้นะค่อยๆพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญาเกิดมาด้วยอาศัยสติค่อยรู้เท่าทาันจิตใจของเรานี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญาค่อยมากขึ้นมากขึ้นขาดสติตัวเดียวขาดหมดเลยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่เหลือหรอก งั้นมีสติคอยรู้เท่าทานจิตไปเรื่อยๆสีสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นเรื่อยๆนะจิตเขาถึงจุดสุดท้ายเขาปล่อยวางปล่อยวางจิตนะจิตที่ปล่อยวางจิตแล้วเต็มไปด้วยความสุขนะหลวงปู่ดุลท่านใช้คําว่ารู้นะมีพระไปถามท่านบอกว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ฟ้นทุกข์ไปแล้วนะแต่ละองค์มีเครื่องอยู่ที่ไม่เหมือนกันบางองค์อยู่กับ เมตตาพรหมวิหารบางคนอยู่กับเมตตาปรมัญญาเมตตาพรหมวิหารเนี่ยใครมาหาก็เมตตาเจอใครก็เมตตาเมตตาปรมัญญานี่เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยนะทั้งที่เจอทั้งไม่เจอทั้งที่อยู่ที่ไหนที่ไหนนะเมตตากว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่เลือกบุคคลนี่เมตตาปรมัญญาบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตามากๆเนี่ยควจะชอบ คนจะไปหามากนะนี่พระองค์นี้ท่านก็นถามแนะล้วหลวงปู่หลวงปู่ดูลนะ่ะอยู่กับอะไรมีอะไรเป็นเครื่องอยู่หลวงปู่บอกเราอยู่กับรู้พระท่านงงก็ถามหลวงปู่ว่ารู้เป็นยังไงหลวงปู่บอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่หลวงปู่ท่านตอบอย่างนี้นะ ว่างว่างจากอะไรไม่ใช่ว่างเปล่านะว่างจากกิเลสว่างจากความดิ้นรนปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสว่างจากความยึดถือธาตุขันทั้งหลายว่างจากตัวตนนั่นแหละสว่างทำไมมันสว่างจิตใจมันสว่างจิตใจมันมืดเพราะโมหะจิตใจที่ไม่มีโมหะนี่ว่าอาโมหะมีปัญญาอาโมหะแปลว่าปัญญานะ สิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะคือปัญญางั้นจิตที่ภาวนาเต็มภูมิแล้วนะสว่างสวัยเพราะว่ามีปัญญาไม่มืดไม่มัวจิตของเรามืดเป็นระยะระยะรู้สึกไหมบางทีมืดมากไปมืดถึงหน้าเลยเลหน้ามืดเลยใช่ไหมแล้วมันออกมาจากใจก่อนๆนี่จิตครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเต็มภูมินะสว่างสวัยมีปัญญาว่างสว่างบริสุทธิ์ บริสุทคือไม่มีเชื้อของกิเลสเหลืออยู่เลยของเรามีเชื้อของความเกิดคือมีอวิชชาซ่อนอยู่ในใจนะกิเลสก็มีนะนิวรณ์ก็มีนะอนุสัยก็มีสังโยชน์ก็มีมีครบหมดเลยกิเลสทุกชนิดเลยตั้งแต่หยาบหยาบจนละเอียดยังแฝงอยู่ในจิตในใจเราคาว่าบริสุทธิ์อะไรไม่มีนะเราภาวนาจนวันหนึ่งถอนอวิชชาออกไปนะทําลายอาสวะกิเลสออกไปนะใจก็บริสุทธิ์ ว่าสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งใจของเราปรุงทั้งวันปรุงทั้งคืนรู้สึกไหมเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์ใจที่ถึงขีดสุดแล้วไม่ปรุงสบายมากเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีการแสวงหาใจของเราหิวตลอดอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดนึกปรุงแต่งใจที่มีความหิวและมีตัณหา ใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาสุดขิตแล้วไม่มีตัณหาไม่มีความหิวไม่มีการสแสวงหาอะไรอีกต่อไปหยุดกิริยาของจิตไม่มีการทํางานจิตของเราทํางานทั้งวันนะร่างกายเราทํางานวันหนึ่งแปชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนี่จิตทํางานทั้งวันทั้งคืนหลับไปจิตก็ยังทํางานอยู่จิตไม่ได้ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เลยเนี่ยจิตของท่านสบายไม่มีกิริยาการอะไรนะ ทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ความสุขไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะแต่เหลืออยู่อย่างหนึ่งเหลือความไม่ยึดถืออะไรไม่มีอะไรนะนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะิพพานมนะีไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมนะมีความสงบมีสันติสุขมีความสุขที่มหาศาลนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าองค์เดียว นะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสัมผัสได้พระองค์เดียวพวกเราถ้าเราเดินตามท่านนะมีศรีรษะศิขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาถึงวันหนึ่งเราก็จะได้สัมผัสสิ่งเดียวกันนี้แหละเป็นะความสะอาดหมดจดอันเดียวกับที่พระพุทธ เ, เจ้าท่านสัมผัสที่ครูบาอาจารย์สืบทอดกันมานะงั้นเราต้องเริ่มพัฒนาใจของเราตั้งแต่ตอนนี้นะเหยียบปล่อยชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาเปล่าๆ เ, เลยนะ ไม่นานก็แก่ไม่นานก็ตายแล้วล่ะคนเราในห้องนี้จะมีใครอยู่ได้อีกสักห้าสิปีหรือเปล่ายังไม่แน่เลยนะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะถึงอ่ะอย่างอายุสาสิบีหสิบปีก็แดสิบเนีอายุเกินนั้นโอ้ก็อยู่ยากแล้วนะไม่นานนะก็จะไม่ได้เจอกันนะเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้สั้ น, นิดีเดียว เราต้องหาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะน่าเสียดายที่สุดเลยเพระหมดแล้วหมดเลยเวลาเป็นของสาคัญที่สุดอย่าปล่อยทิ้งหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าหายใจทิ้งเรายืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอย่ายืนเดินนั่งนอนทิ้งเปล่าๆนะความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ อย่าให้มันเกิดเปล่าแล้วมีสติคอยรู้คอยดูไปกุศลอะกุศลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะอย่าให้มันเกิดเปล่ามีสติคอยรู้คอยดูไปชีวิตจะได้ไม่ว่างเปล่านะจะได้อะไรที่มันดีติดเนื้อติดตัวเราไปนะโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะแท้ๆนะ้มีไม่มากหรอกนะน้อยมากเลยที่จะได้ยินธรรมะแท้ๆ น, ะนานๆพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่ง ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์อยู่ได้ไม่นานหรอกพราธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นหมาะกับคนที่ต้องสู้ชีวิตจริงๆใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถจริงๆคนส่วนใหญ่อ่อนแอหวังพึ่งคนอื่นนั้นศาสนาพระเจ้านี่มีตลอดนะให้ไปพึ่งพระเจ้าพึ่งเทวดาพึ่องอะไรนี่มีตลอดเหมือนเราเป็นเด็กเราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดนะโตขึ้นมาพึ่งพระเจ้าพึ่องอะไรนะ ในศาสนาที่พึ่งตัวเองมีแต่ในคําสอนของพระเจ้าศาสนาที่สอนให้ดูตัวเองก็มีแต่ในคําสอนของพุทธเจ้าศาสนาที่สอนให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในของเราเองมีแต่ของท่านไม่ได้มีคําอ้อนวอนอะไรทั้งสิ้นเลยคนที่จะกล้าหาญเข้มแข็งเดินไปให้ถึงฝั่งได้ต้องใจแข็งจริงๆนะต้องอดทนจริงๆล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรนะแต่ล้มแล้วต้องลุกนะ คลุกฝุ่นก็คลานไปอย่าอยู่อย่าคลุกฝุ่นอยู่กับที่เน้นต้องสู้จริงๆทุกวันตั้งใจรักษาศี่ห้าทุกวันฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจล่องรอยไม่ต้องไปฝึกเพ่งกายเพ่งใจให้เคร่งเครียดนะแค่รู้สึกกายรู้สึกใจสบายๆนะทุกวันดูกายดูใจทํางานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้นะถึงเวลาที่สมควรต้นข้าวก็จะออกมาเล็ดมาว ใ, ใจเราก็จะเกิดมรรผลขึ้นมา ไม่มีใครทำแทนใครได้นะพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองหลวะพุทธเจ้าได้แต่บอกทางให้งั้นเมื่อได้ยินทางที่ท่านบอกแล้วต้องเดินด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นเลยต้องพึ่งตัวเองอันนี้เ ท, เท่านี้พอสมควรหลวงพ่อกล่าวเวลาไม่ถูกวันนี้ <laughs> เวลามันเลื่อนๆไงชอบคน <laughs> นำมาตการกับหลวงพ่อครั้งที่แล้วส่งกันบ้านไว้อครั้งที่แล้วไม่ค่อยเห็นใจรักช่วงปีที่แล้วครับประมาณหนึ่งปีแล้วมาหนึ่งปีนี้ก็พอเห็นบ้างแล้วครับเห็ น, นใจรักมันมีอยู่แล้วนะครับแต่เราใจลอยมันก็ไม่เห็นนะใจรักมันอยู่ในกายอยู่ในใจ <c oughs> ถ้าเราลืมกายลืมใจเราจะไม่เห็นไตรลักณถ้าเราบังคับกายบังคับใจก็ไม่เห็นใจรัก เพราะงั้นเราไม่บังคับจิตให้นิ่งนะของคุณยังบังคับอยู่ไหมยังบังคับยังบังคับอยู่ครับเออปล่อยซะนะครับปล่อยซะตอนนี้บังคับแรงไปอาจจะตื่นเต้นอยู่ได้นะครับอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นครับเออไม่เป็นอนุโมทนาสาธุเพ่งอยู่นะอย่างนี้เลิกเพ่งอยู่ไม่ไม่มีใจรักครับจะนิ่งๆิครับอ่าก็สังเกตอีกอันนะว่าจิตมันถึงฐานจริงๆริงไหม ไม่ถึงครับหรืจิตมันเจ้าออกข้างนอกมันเจ้าออกครับเออให้รู้ทันนะถ้าจิตเจ้าออกจะไม่เห็นใจรักครับข้ออะไร่เพราะมันหนีตัวเองไปออกไปจากตัวเองการภาวนาเราไม่ให้เกินกายออกไปคยรู้สึก ร, รู้ในกายรู้ในใจครับดีแล้วละ่ะมองเห็นว่าจิตเจ้าออกนอกจิตไม่ถึงฐานนะถ้าเห็นอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับมการครับ มาสักการครับหลวงพ่อครับคราวาก่อนหลวงพ่อบอกว่าผมผมเพ่งอยู่ครับผมดู ก, กายแล้วผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นศึกบริกรรมนะครับแต่ว่าหลงหลงบ่อยมากคือถ้าเราเคยเพ่งมากๆนะเราเลิกเพ่งนะมันจะหลงเก่งแล้วฟุ้งซ่านเก่งอารมณ์ร้ายเก่งนะงั้นเราไม่จงใจเลิกเพ่งหรอกเพ่งอยู่เรารู้เราค่อยๆ ค, ค, คลายออกนะช่วงแรกต้องใช้นี่นะฟุ้งซ่าน แต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งนะพอเรากลัวการเพ่งมากไปเนี่ยเราเลยเลิกทำสมถะทีใจเราฟุกนะใจมันจะฟุง้งใจมันจะล่องลอยมากไปงั้นเราควรจะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะอยังอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้อยู่เพื่อให้จิตสงบพุทโธเล่นๆไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้หรือหายใจเล่นๆไปหายใจไปจิตหนีเรารู้จะดีกว่า กลัวการเพ่งแล้วก็ปล่อยมันถ้าปล่อยไปนานๆจะฟุ้งจะไม่มีแรงครับขอบคุณครับครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าเบื้องต้นอ่ะตึงไว้ก่อนอย่างดีนะตึงแล้วรู้แล้วค่อยๆคลายออกแล้วมันพอดีถ้าเรากลัวว่ามันจะเพ่งนะเราพยายามจะคลายมากไปนะใจเลยไม่มีสมาธิเลยจะฟุ้งไปนะของคุณให้ใจมันอยู่กับตัวเองเข้มแข็งขึ้นกว่านี้หน่อยนะ มันกระจายกระจายไปก่อนไปครับหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกสบายสบายเออขนาดเนี้ยพอดีนะอย่าแรงกว่านี้นะแรงกว่านี้จะแน่นละนะ <c oughs> แต่อย่าให้ใจล่องลอยนะหลวงพ่อไปเทศที่โน้นที่นี่เยอะนะปีปีหนึ่งอนะ่ะเพิ่งที่เนี่ยนะที่มีตำรวจมาฟังเยอะจริงจริงนะ ต้องยกย่องผู้บังคับบัญชาเลยเปิดโอกาสส่วนมากตำรวจมาก็จะมาดูแลความเรียบร้อยให้นะไม่ฟังไม่ได้ฟัง<า>ตํารวจก็ต้องทำนะต้องฝึกนะฝึกให้ได้ชีวิตเราจะได้มีความสุขเพราะงานตํารวจเนะี่ยงานเครียดมากเลยงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายชีวิตไม่แน่นอนนะงั้นเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสอยู่นะ รู้สึกตัวคอยดูกายทํางานดูใจทํางานนะเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะไปเปิดที่บ้านได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่เป็นไรหรอกเผื่อลูกมันได้ยินนะบางบ้านเปิดเปิดนันเด็กพอนานะนั่นเด็กมันพอนาแล้วไม่ค่อยเกเลรหรอกนะในครอบครัวก็มีความสุขความอบอุ่นทุกวันนี้ชีวิตคนเราแห้งแงล้งลําเคินมากเลยนะพ่อไปทางแม่ไปทางนะแต่ละคนเงียบเงา โดดเดียวนะเหมือนตัวคนเดียวตอนหลวงพ่อเด็กๆนะพละเมืองน้อยนะเมืองไทยยี่สิบกว่าล้านนะแต่มันอบอ่นญาติพี่น้องทั้งนั้นเนะข้าบ้านไหนก็มีข้าวกินเดี๋ยวนี้ไม่มีญาตนะิตัวคนเดียวหมดแนะนี่ในภาวะที่วันข้านายิ่งเป็นมากกว่านี้ออย่างเรามีลูกลูกไม่อยู่กับเราแน่อยู่สองคนตายายหรือวันหนึ่งก็เหลือคนเดียว ความว่าเวรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วลนะ่ะถึงเรามีบํานานกินนะไม่อดนะแต่ใจมันเหงาเราพยายามหายใจรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวเราจะอยู่กับธรรมะชีวิตจะอบอุ่นมากเลยเหมือนเรามีเพื่อนอยู่กับตัวเราตลอดชีวิตเลยนะไม่เหงาไม่ว่าเวนะฝึกนะฝึกข้าวนี่ตำรวจเนี่ยต้องฝึกเยอะหน่อยเพราะว่าชีวิตมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ มี ม, าามีไหมหลวงพ่อค่ะจิตถึงฐานไหมตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อใช่แล้วไงคื อ, เ, อ, อเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยคะ่ะก็คือกำหนดลมหายใจทีนี้เนี่ยพอทำสักพักหนึ่งจิตมีสมาธิเนี่ยคือจะจะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกว่า เ, เวลาที่จิตกำลังไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้แล้วพอเราคิด เราก็รู้อืเสร็จแล้วก็เรารู้ว่าอ่มีเสียงมาเรารู้ลมพัดที่ลมหายใจเรารู้ถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นใช่ไหมไม่จะตั้งมันนะจิตจะตั้งมันแต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนนะอันนั้นสมาธิชนิดให้จิตตั้งมันถ้าอยากพักผ่อนเนี่ยง่ายๆอย่ายไปจ้องที่ลมเห็นร่างกายตัวเนี้ยทั้งตัวเนี่ยหายใจแต่เห็นด้วยใจที่ธรรมดานะอย่ายไปใจที่น้อมให้นิ่งให้ซึม ใช้ใจปกติอย่างตอนนี้ใจเป็นปกติอย่างเนี้ยเห็นร่างกายนี้หายใจรู้สึกทั้งตัวอย่าไปดูที่ลมนะเห <ừ ừ, S 1> ็นทั้งตัวนี้หายใจแป๊บเดียวสมาธิาก็เกิดแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่า เ, เราจะเห็นการไหลเข้าออกของลมหายใจอยู่ข้างหน้าของเรา ừ, แต่พอจิตเราหนีไปคิดเราก็จะรู้สึกว่าเราอยู่ตรงหน้าแล้วจิตหนีไปคิดเราก็จะรับรับรูบร้อะค่ะ <S <S ใช่ใช่อย่างนี้คือทาถูกแล้วใช่ถูกแล้วนะถูกแล้ว คอยรู ela, <Ich. S 2> inside, ้ท in ันจิตที่หนีไปต่อไปจิตใจจะอยู่กันเนื้อกับตัวนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็เห็นร่างกายมันหายใจเรารู้ได้ใจธรรมดานี่เองนะร่างกายนี้มันหายใจไม่ใช่เราหรอกนะหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนรู้ได้จิตที่ธรรมดานี่เองจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เองงั้นที่เราฝึกจิตไหลรู้ไหลเรารู้นะเพื่อให้จิตอยู่กับตัวเอง ไปจิตอยู่กับเนื้อตัวโดยไม่เจตนาแล้วเนี่ยเราใช้จิตธรรมดาอนนี้จิตตัวนี้ธรรมดาที่สุดเลยนะจิตธรรมดามากเลยรู้ตื่นเมกบานอยู่ในตัวเองใช้จิตตัวนี้มาเห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะจะเห็นร่างกายทั้งตัวนี้หายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ถ้ามีความสุขมีความทุก เกิดในกายก็รู้มีความสุขความทุกข์เกิดในใจก็รู้กิเลสเกิดขึ้นในใจก็รู้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็จะเดินปัญญาต่อไปองั้นเบื้องต้นเนี่ยเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยกวารทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปพอรู้ทันมากๆจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทํางานเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะ นี่ทำใจกลืมๆอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยใช้ใจอย่างขณะนี้เลยใจขนาดนี้แหละคือใจที่รู้ตัวแหละนะง่ายอย่างนี้เองรู้สึกไหมมันโปร่งโล่งนะแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ลืมไม่หลงอะไรนี่แอบไปคิดละเห็นไหยตัวรู้หายกลายเป็นตัวคิดใช้ได้นะลงขยันฝึก รู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปรู้จิตไปเพ่งลมแล้วรู้ใช้ได้จิตก็อยู่กับตัวเองอย่างนี้แหละต่อไปก็เดินปัญญานะเห็นร่างกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานใจไปคิดแล้วทราบไหมคะกำลังจะคิดถามหลวพ่อว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มเดินปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตร่างกายของเราใช่ไหมคะว่าเป็นคนๆ น, นะ บางคนก็จะเริ่มที่กายบางคนไม่ชอบกายก็เริ่มที่จิตไปเลยถ้าเริ่มที่กายก็จะเห็นว่ากายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูถ้าเริ่มที่จิตก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปรู้เข้าก็คือการแยกขันนั่นเองอันแรกถ้าถ้าถนัดกายก็เห็นแยกรูปนาม นะรูปธรรมนามธรรมแยกกันรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นามเป็นคนรู้นะถ้าถนัดแยกนามธรรมก็เห็นสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปมันทํางานของมันได้เองใจเป็นคนรู้ใช่ไหมมันมีใจที่เป็นคนรู้ใจที่เป็นคนรู้เนี่ยได้มาจากการที่เราฝึกสมาธิที่ถูกโดยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละเราจะได้ใจที่เป็นคนรู้นะพอได้ใจที่เป็นคนรู้แล้วเราเห็นไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราแล้ที่พยักหน้าอยู่เนี่ยไม่ต้องคิดเลยมันไม่เป็นเราหรอก ก็ความเป็นเราเกิดจากการคิดที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องคิดเลยนะไม่เป็นเราถูกเป๊ะเลยถ้าคิดเมื่อไหร่ก็เป็นเราการมรสการค่ะใช้ได้นะสมาธิถูกแล้วกลับนมาสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเท่า น, นั้น <laughs> กเเ็เห็นเห็นกิเลสบ่อยนะคะแล้วก็ เวลาทิสติเกิดเนะะี่ยค่ะมันจะเกิดแป บ, บเดียวแต่ว่าไม่ไม่ได้เกิดบ่อยแล้วมันก็นานๆทีด้วยะคะ่ะถ้าฝึกบ่อยมันก็เกิดบ่อยนะซ้อมทุกวันวิธีซ้อมก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไปจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะค่อยรู้บ่อยๆเคยเคยดูจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นเวลานานๆแล้วเกิดอาการเหนื่อยอ่อนนะคะอาจรย์อันนั้นทําพื่เหนื่อย อ, อนแล้วก็หยุดทําสมถะเอา พักเฉยๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรพักผ่อนพอพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็รู้ทันจิต ท, ที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนเดี๋ยวเป็นได้ทั้งความตั้งมั่นได้ทั้งปัญญาแล้วบางครั้งนี้อยังเห็นไหมใจกังวลกังวลค่ะอันเนี้ยเนี่ยกังวลเกิดแล้วก็เห็นอย่างเนี้ยเห็นไหมพอเรารู้มันก็ขาดแค่นี้เองอะ่ะง่ายเห็นไหมเรารู้สึกไ้มใจมันโปร่งเลย ทันทีที่เห็นขาดทันทีนะใจมันก็โปรงทันทีเลยนี่ง่ายๆเราไม่ได้ไปดัดแปลงจิตนะจิตเป็นเองรู้สึกไหมมันโปงเองมันปล่อยเองใช่ค่ะแล้วบางทีเราเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีคนนี้ขี้กังวลขี้กังวลตื่นเต้นด้วยอาจารย์ก็บางครั้งบางครั้งรู้สึกว่าเออมันเหมือนมีมีตัวนึงแล้วก็มาสอนสอนสอนเราด้วยในบางครั้งอาจารย์อันนี้ เราก็ฟังฟังไปอย่าไปเชื่อมันนะไม่ต้องเชื่อใช่ไหมคะอย่าเชื่อบางที ม, นมันมันหลอกเรานะค่ะมันสอนเราอย่างโน้นสอนเราอย่างนี้แรกแรกก็สอนดีนะพอเราเชื่อมสอนตะลิดเปิดเฟิงเลยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วครับขอ บ, บคุณคุณค่ะดูท่าจิตภานาไปนะจิตเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาต้องดูตรงนี้ว่ามันสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมนะถ้ามันมาสอนอะไรเราที่ขัดกับพระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อมั น, ม, นมันหลอกเรา อย่างมันสอนเราเนะเรานั่งพานาไปจิตรวมปุ๊บมันสอนให้จิตเที่ยงจิตเป็นของเที่ยงเนี่ยตัวรู้เที่ยงนี่ไม่ใช่ละนะขัดกับคำสอนของผู้เจ้าแะ้วอย่าไปเชื่อมันกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูก็ตำรวจนะคะนะ <laughs> หนูอยากทราบว่าแข่งดีกับทำดีนี่ต่างกันยังไงครับ <laughs> ในการคือแข่งกันทำงานนะมันก็เป็นหน้าที่นะ ก็ต้องทํานะทางทางทางสมาธิอะค่ะถ้าแข่งหนูเคยได้ยินว่าแข่งดีกับทําดีไปได้ยินมาจากไหนล่ะก็ไปนั่งวิปัสสนามาที่หนึ่งเขาท่านโอ้เขต้องไปถามที่นั่นนะเอาเหรอคะสำนวนแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรอกเอาเหรอคะมันไม่ใช่ภาษามาตรฐานเป็นทําเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะธรรมะแข่งดีเออเราเราไม่ได้ทําเพื่อแข่งกับใครนะ เราทำความดีเราไม่ได้แข่งกับใครเราสู้กับกิเลสตัวเองนี้เท่านี้เะนี่แหละทำดีไม่ได้แข่งดีไม่ใช่เห็นเขานั่งสมาธินานต้องนั่งให้นานกว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรอันทำไปด้วยกิเลสเห็นเขาถือศีลกกูต้องถือให้เยอะกว่าแกศีลห้าชั้นศีลแปดนี่ไม่เกิดประโยชน์ทำไปแล้วกิเลสงอกงามนะงั้นเราไม่ได้ไปทำเพื่อแข่งกับใครหรอกทำความดีไปทำดีแล้วดี อย่าคิดเดียอะนะเคยได้ยินมา ก, ก็เลยแปลกคือคำมันแปลกเหยมันมันสำนวนโบราณค ข, นะขอบคุณค่ะสํำนวนเราไม่ค่อยได้ยินนะยุคนี้แข่งดีนะฟังไม่ค่อยออกอะแข่งดีก็น่าจะดีสินะแข่งกันดีไม่ใช่แข่งดีหมายถึงว่าเห็นเขาดีกว่ากูจะทําให้ดีเหนือกว่าเขาเพื่อเพื่อจะเอาชนะเขาอนะ่เพื่อข่มเขาเพื่อกูจะได้เด่นอย่างนะี้แต่ยังทํางานแข่งกันเนี้ยถูกนะนะ พนาไม่ใช่แข่งเอาชนะใครหรอกพนาอย่างเรามีเพื่อนนะพนาด้วยกันถ้าเขาขี้เกียจเราคอยเตือนถ้าเราขี้เกียจเขาครเตือนไม่ได้แข่งกันนะเราสู้กับกิเลสของเราเองแต่เรื่องทางโลกการทำงานต้องสอบแข่งขันต้องแข่งอะ่ะก็โลกเป็นอย่างนั้นโลกก็ทำข้อข้อละอันกันนะแต่ถ้าทางธรรมเราไม่ได้ไปแข่งกับใคร ทางโลกไงก็ต้องแข่งแล้วจะสอบเลื่อนเป็นในร้อยยังต้องแข่งเลยนะแล้วชาวพุทธก็ไม่ใช่ปล่อยชีวิตตามยะถากรรมนะเป็นในผลได้ก็เป็นนะไม่ไม่ใช่มากน้อยสันโดยขอเป็นจ่าตลอดชีวิตไม่ได้นะไม่ใช่ยังขอนวัตกรรมคำถามสุดท้ายนะครับหลวงพ่อ คือในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นคารวาสเนี่ยนะครับก็คงน้อยคนที่จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ทีนีออ้อยากให้หลวงพ่อแนะนาในฐานะที่หลวงพ่อเคยผ่านชีวิตทั้งคาวาสก็หลายสิบปีนะครับรว mm. มถึงมาต่อชีวิตของบรรพชิต ด, ด้วยนะครับว่าจะมีลักษณะนิสัยหรือว่าข้อลักษณะนิสัยหรือว่าอะไรที่ควรบ่มเพาะไหมฮะเพื่อที่ว่า ทังโลกก็ไม่ช้ำทำก็ทก็ไม่ขุนอะไรอยงี้คือจริงๆพระเจ้าสอนเราไว้หมดแล้วนะถ้าเราอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นพ้นจากความทุกข์ไปถึงเป็นฆราวาดนะก็เหมือนกันนะต้องทำเหมือนกันนะเรามากน้อยหรือเรามากมากเราสันโดษไหมเราชอบคลุกคลีไหมนี่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานนะมากน้อยสันโดษนะไม่คลุกคลีปรารบความเพียร วันวันนึงใจเราคิดถึงการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไหมนะถึงเราเป็นคารวะนะคารวะาเนี่ยไม่จําเป็นต้องมักน้อยหรอกนะแต่สันโดษมักน้อยกับสันโดษไม่เหมือนกันมักน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้มากก็เอาน้อยอันนี้มันเหมาะกับพระนะอย่างพระได้จีวรหลวงพ่อได้จีวรวันหนึ่งหลายหลาผืนนะหลวงพาะผืนหนึ่งหลวงพ่อใช้หลายปีที่เหลือเราก็ให้พระอื่นไปเนี่ย หมายถึงมีโอกาสได้มากเราเอาน้อยนี่เรียกว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยคราวาาต้องเป็นน ะ, ะหมายถึงว่าทําเต็มที่นะแล้วมันได้ผลเท่านี้ยพอใจได้ทุ่มเทสุดฝีมือแล้วล่ะมันได้ผลเท่านั้นนี่ลนะก็พอใจในสิ่งที่เราทําว่าพอใจว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วนะไม่ครุกคลีนะวันวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อไม่ครุกคลีใครเลยนะเวลาทํางานแล้วทําไปตามหน้าที่นะ ต้องไปกินเลี้ยงต้องอะไรไปตามหน้าที่นะหมดหน้าที่แล้วไม่ยุ่งกับใครหรอกหมดหน้าที่แล้วมีเวลาเหลือเรากลับบ้านอาบน้ําอาบท่าภาวนาวันไหนเหนื่อยมากๆภาวนาไม่ไหวนะไปซื้อนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านนะสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตเลยนะซื้อนังสือการ์ตูนมาอ่านไม่มีพิษมีภยยนะัยอะไรนักส์อเด็กอะการ์ตูนเด็กอ่านพอใจผ่ อ, อนคลายมีเรื่อ ง, ม, องมีแรงภาวนาต่อนะคนทุกวันนี้นะ คลกคลีมากไปที่หลวงพ่อเห็นนะยุ่งกันมากนะเจอกันคุยกันไม่พอนะโทรคุยกันอีกเดี๋ยวนี้โทรคุยไม่พอมีเฟซมีไลน์มีอะไรยุ่งคลุกคลีกันทั้งวันเลยนะใจจะฟุ้งซ่านแล้วเวลาที่ไหนไมาอยู่กับตัวเองนะงั้นตอนที่หลวงพ่อเป็นคราวาสหลวงพ่อถือหลักนี่เลยหลวงพ่อถือศีลห้าไม่เคยอดข้าวเย็นเลยนะมีข้าวกินทุกวันก็เรามีบุญอะเรามีข้าวกินนะไม่ได้อดนะ แต่ว่าถือศีลห้าไว้นะแค่นั้นพอละแล้วก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นนะไม่คลุกคลนะีพอนาของเรามีเวลาเราพยายามทำใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยปลารบความเพียรไปเรื่อยนะสังเกตตัวเองเอาวันนี้เหนื่อยมากพักก่อนนะวันนี้มีแรงพอละแต่ใจยังฟุ้งอยู่ทำความสงบ วันนี้ใจสงบพอสมควรแนละ้ทำความตั้งมั่นคนะอยรู้ทานจิตที่เคลื่อนวันนี้จิตตั้งมั่นแล้วดูธาตุดูขันทำงานนะไม่ละเลยดูทุกวันทุกวันตั้งแต่เล็กไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะจากท่านพอ่อหลีตั้งแต่เจ็ดขวบปีศูนย์สองท่านสอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรว่าหายใจไม่เลิกเลยไม่ต้องสั่งซ้ำเลยนะบางทีเดียวยี่สิบสองปีก็ทำอยู่งั้นนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็น มาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูทุกวันไม่เลิกเลยนะดูมากที่สุดที่จะดูได้นี่อาศัยสิ่งเหล่านี้นะสร้างเงื่อนไขที่ไม่ยั่วให้ใจเราฟุ้งซ่านมีสีไม่ไม่วุ่นวายกับคนอื่นมีเวลาเรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดปรารบความเพียรไปเรื่อยนะใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานยังไปหาครูบาอาจารย์บางองค์หลวงุ่เทศหลวงปู่ปอะไรเงนี้ หรือบางทีหาหลวงพ่อพุธหาอะไรนะพวกพระพวกชีอะไรมานั่งฟังมาฟังหลวงพ่อส่งกันบ้านครูบาอจารย์ตอบให้อะไรให้เราออกจากครูบาอจารย์บางทีตามมาถามนะว่าโยมทำได้ไงพระทำา10ปี20ปีไม่ได้เท่านี้โยมทำปีสองปีทำไมได้อย่างนี้บอผมทำตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิด เวลาที่ทำงานต้องคิดม่ช่วยไม่ได้ก็ทำไปงั้นเก็บเวลานี้เก็บมากเลยเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าวิธีเจริญสติในชีวิตประจาวันจะรอลถเมยอง่างภาวนาเลยจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขับไทยภาวนาตลอดทำอะไรก็ภาวนาตลอดเลยอย่างถ้าเราเบรกตัวเองนะชั่วโมงละหนาที นืถ้าทําได้นะเด็กตัวเองชั่วโมงละห้านาทีจเจริญสติจเจริญปัญญาห้านาทีเนี่ยชั่วโมงละห้านาทีเนี่ยสิบสองชั่วโมงได้เท่าไหร่ได้ชั่วโมงหนึ่งนะในขณะที่คนอื่นทิ้งไปเหี้ยเฉยว่างห้านาทีไปคิดอะไรเล่ยเปื่อยเล่นสมปลกเลอะเทอะไปเลยองหลวงพ่อว่างห้านาทีหลวงพ่อหายใจละแล้วนี่เราเก็บเล็กเก็บน้อยนะวันหนึ่งได้หลายชั่วโมงนะเพราะฉั้นเราภาวนาเนี่ยสู้ตายเลยนะ หรางพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่เรางพ่อเป็นคนที่ทนอดทนในการที่จะเรียนรู้อะไรที่ซ้ำแลบซ้ำอีกนะไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งเป็นครั้งที่สองเลยพวกเราทำให้ได้สิแล้วมันก็ได้罢了<笑>ต้องทนอันแรกเลยทนเรียนให้รู้เรื่องพอรู้เรื่องแล้วต้องมาดูกายดูใจตัวนี้ต้องทนมากเลยเพราะมันน่าเบือ่อดูหนังดูละครมันยังอารมณ์มันเปลี่ยนใชม่มีอะไรที่แปลกใหม่ ดูจิต ด, ดูใจเหมือนกันทุกวันเลยเดี๋ยวก็กิเลสเดี๋ยวก็ราคะเดี๋ยวก็โทสะเดี๋ยวก็หมุนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนน่ะอดทนดูได้ไหมของซ้ำซากอย่างนั้นนะหรือดูร่างกายร่างกายมีแต่หายใจออกหายใจเข้าดูอย่างเนี้ทั้งวันดูได้ไหมต้องทนนะท <laughs> นมากเลยในการที่จะเรียนรู้สู้นะไม่ยากหรอกแต่ต้องทน <laughs> ถ้าทําได้นะ ฆราวาสก็ได้มักได้ผลนะมาผลไม่ใช่ผูกขาดของพระหรอกฆราวาสก็ทําได้โสดาสกทาคาอะไรเงี้ยนะไม่ยากทีเราเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันเกิดไม่มีตัวเรากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราเลยกนะ็ได้โสดาฆราวาสจะไปเริ่มแพ้พระนะตั้แต่จะขึ้นอนาคา เพะเพศของพระเหมาะกว่าโสดาสกทาคาร์เนาคาวาตไม่แพ้พระหรอกยิ่งถ้าพระไปติดสมาธินะสู้ค า, าวาตไม่ได้เลยติดความสงบเฉยขั้นอนาคานี้ค า, าวาตจะสู้พระยากละเพราะอะไรอนาคานี้ชนะกามค า, าวาตเนี่ยตามใจกามอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนใช่ไหมทำอะไรก็ได้ อย่างพระเวลาการมราคะเกิดนะมีแต่ทุกข์นะคารวะมีการมาคุณนะว่าพระมีการมขึ้มาเป็นการมมโทษเห็นแต่ทุกข์เห็นแต Th ่โทษนะไม่เหมือน ก, นอกันหรอกมนความเข้มข้นในการต่อสู้ไม่เท่ากันขั้นต้นๆ น, น, นะพวกเราทําได้นะไม่เกินวิสัยที่พวกเราจะทําสมัยพุทธกาลคารวะเขาเขามารู้มากผลเยอะแยะเลยเขาไม่ได้เก่งกว่าเรานะเพียงแต่ของเรามีสิ่งยั่วยวนเยอะ ต้องใจแข็งครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเจริญสตินะครับกระผมไข่ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อปาโมทปามโมโชนนะครับนำเจริญสติเป็นเวลา10นาทีครับขอกราบอาราธนาครับต้องนําได้เหรอ <laughs> สตินะสติมีหลายระดับนะสติอย่างโลกโลองขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่อทํางานไม่ผิดพลาด สติในการปฏิบัติเรียกสติปัฏฐานเป็นสติรู้กายสติรู้ใจงั้นพวกเราคงไม่มาเรียนสติธรรมดานะมาเรียนสติปัฏฐานสติรู้กายสติรู้ใจอันแรกยิ้มก่อนอย่าทำซึมพอบอกให้จเจริญสติจเจริญอะไรนะทำซึมไว้ลูกเดียวเลยนะยิ้มหวานๆในหัวยิ้ม อ, อยิ้มหวานๆแล้วรู้สึกไหมใจตอนนี้ผ่อนคลาย อย่าไปดัดแปลงใจนะเห็นร่างกายนี้มันหายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆใจที่ผ่อนคลายนี่แหละรู้สึกไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายหายใจนะไม่ใช่เห็นลมหายใจเห็นลมหายใจจิตจะเครียดเห็นร่างกายหายใจเห็นมันทั้งตัวนี่แหละตัวนี้กำลังหายใจอยู่เห็นด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดา ใจที่ผ่อนคลายใจที่รู้ตัวสบายๆนะจะเห็นไปได้สักช่วงเนะค่อยๆดูไปว่าร่างกายกับใจในี่คนละอันกันนะร่างกายมันมั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่เป็นะสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าคุณที่ส่งกันบ้านผู้หญิงที่ส่งกานบ้านนะั้นซึมไปแล้วโมหแนะแทรกลืมตาก็ได้ไม่ต้องหลับตา เลืตาดูพระพุทธรูปนะไม่มีพระหลับตาเลยดูออกไหมจิตซึมมันน้อมเข้าไปน้อมไปซึมนะโมหะแทรกรู้สึกตัวรู้สึกตัวสบายๆถ้าหายใจเราซึมนะใจมืดใจมัวก็ลืมตาขนะึ้นมาหายใจให้แรงขึ้นหน่อยกระตุ้นความรู้สึกตัวนะหรือถ้ามันเป็นมากริืมตายิ้มหวานหวานนะเริ่มต้นใหม่ ทำไมต้องเริ่มต้นด้วยการยิ้มหวานไหนพี่ทำสอนนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิยันทำใจสบายก่อน ใ, ใจมีความสุขแล้วทำสมาธิชนิดที่ใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะใช้ได้นะส่วนใหญ่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูลองขยับมือสิทุกคนลองขยับมือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะขยับมือ เคลื่อนไหวเราพยักหน้าซิเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวนีใจเราเป็นแค่คนดูค่อยๆรู้ไปนะฝึกเรื่อยๆต่อไปใจกับกายจะแยกออกจากกัน <laughs> บางคนยิ้มแล้วมันเกินยิ้มไปมันขำไปด้วยเลเนี่ยหัรู้สึกตัวแบบนี้นะรู้สึกตัวเรื่อยๆ ถ้าใจเราไหลไปก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปจับที่ลมก็รู้นะแล้วก็มารู้สึกเห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันแล้วถ้ามีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นสุขทุกข์กระจายก็แยกออกจากกันมีโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นก็เห็นโลภโกรธหลงกระจายก็แยกออกจากกันค่อยๆแยกออกไปเรื่อยนะจนเห็นธาตุเห็นขันมันแยกตัวไป ใจอยู่ตาหากเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นขันมันทํางานเช่นเห็นร่างกายหายใจขันมันทํางานเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปนี่ขันมันทํางานเห็นกิเลสเกิดแล้วดับไปนี่ก็ขันมันทํางานเห็นใจเดี๋ยวก็รู้ใจเดี๋ยวก็คิดนี่ก็เป็นขันมันทํางานเราไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่ามันทําอะไรเราก็รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้สบายๆรู้ด้วยใจที่ตื่น เราอย่าเปลี่ยนความรู้สึกนะลืมตาขึ้นซิหยุดปฏิบัติล อ, ลองลืมตาขึ้นซิใครรู้สึกซึมบ้างยกมือมีไหมใครซึมมีนะแต่ไม่ยอมยกคนที่ใส่แว่นนี่ก็ซึมนั่งคู่กับคนที่ส่งเงินบ้านจ่นซึมไปนิดนึงเนี่ยโมหามแทรกแสดงว่าตอนที่เราฝึกเนี่ยนะอย่งางโมหะแอบเข้ามา โมหะมันแทรกใจมันจะซึมลืมตาขึ้นมาใจก็ต้องรู้ตื่นเบิกบานได้จะหลับตาจะลืมตาเหมือนกันหมดเลยใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่อยๆฝึกไปแต่นี้ไม่ใช่สมถะนะนี่ฝึกแยกขันนี่ฝึกเห็นขันมันแยกนะเห็นขันมันทำงานไปเดินปัญญาเอาละพอสมควรนะไปหาตัวเองที่บ้าน ใครดีใจบ้างยองมือสิดีใช้ได้พอเลิกแล้วดีใจเนีเราซื่อสัตย์นะโอดีใจเรารู้เนี่ยรู้อย่างนี้แหละมันง่ายอย่าตายไปมันดีใจเราก็รู้เสียใจเราก็รู้สุขทุกเราก็รู้รู้ไปเรื่อยนะวันหนึ่งมันก็รู้แจ้งนะรู้แจ้งขึ้นมาไม่มีเราดีใจมันก็ดีใจเองขออนุมโมทนาท่านผู้ในการก็ท่านผู้บ ร, ริหาร หลวงพประเทศหลายที่นะที่นี่ที่ผู้บริหารสนใจธรรมะจริงๆถ้ายกให้เป็นที่หนึ่งเลยที่นี้รับท่อนนะยาถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาครางังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุ สัพเพภุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามมนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพรโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง มีความสุขนะให้ธรรมะรักษาพวกเรานะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจเจริญในธรรมเดีนะ๋ยวพอไปก่อนนะ